หนังสือซีดีก็เป็นเหมือนกับการได้ฟังเทศฟังธรรมในขณะนี้ถ้าเรามาไม่ได้เราก็ใช้การฟังหรือการอ่านหนังสือก็ได้เพราะการฟังการอ่านนี้เป็นเป็นกิจที่สำคัญเพราะจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรไม่ควรอะไรเป็นเหตุให้เกิดความสุขอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์เวลาเราเกิดความทุกข์เราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความอยากของเรา เวลาเราเห็นอะไรได้ยินอะไรแล้ว เ, เราไม่พอใจเราไม่สบายใจก็เป็นเพราะว่าเรามีความอยากให้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินเป็นอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินกลับเป็นไปอย่างหนึ่ง ไม่ถูกใจเราไม่ถูกตามความต้องการของเราตามความอยากของเราเราก็งเลยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาดังนั้นความไม่สบายใจของเรานั้นเกิดที่ตัวเราเองเกิดที่ความอยากของเราถ้าเราไม่มีความอยากรับรองได้ว่าจะไม่มีอะไรในโลกนี้จะทําให้เราไม่สบายใจได้ จะทำให้เราไม่ทุกข์ใจได้เลยดังนั้นเวลามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเราต้องมาแก้ที่ใจของเราแก้ที่ต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจก็คือความอยากต่างๆนี่แต่บางทีเราก็รู้ว่าความอยากของเรา เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจแต่เราไม่สามารถหยุดความอยากของเราได้ก็เพราะว่าเราไม่มีกำลังเราไม่เคยหยุดมันเราเคยทำตามความอยากมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานจนติดเป็นนิสัยเวลาที่เราอยากจะหยุดความอยาก เราก็หยุดไม่ได้เช่นคนที่เคยสูบบุหรี่มาเป็นประจําแสดงว่าทําตามความอยากมาตลอดเวลาทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็สูบบุหรี่ยิบบุหรีมาสูบการทําตามความอยากนี้ก็เป็นการตอกย้ําความอยากให้มีความหนาแน่นมีกําลังมากขึ้นไปตามลําดับ ทำให้หยุดความอยากยากขึ้นไปแต่ถ้าทุกครั้งที่เราเกิดความอยากจะสูบบริเล่แล้วเราไม่สูบความอยากครั้งต่อไปก็จะอ่อนกําลังลงและจะอ่อนกําลงลงไปตามลำดับถ้าเราฝืนความอยากไปทุกครั้งแล้วไม่นานความอยากนั้นก็จะหมดกําลังไป แต่เราถ้าไม่มีกำลังไม่มีกำลังใจเราจะหยุดความอยากไม่ได้เพราะว่าขณะที่เกิดความอยากนี้มันเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเกิดความหงดหิดใจรำคาญใจไม่สบายใจจนทนไม่ไหวจึงต้องไปหยุดบุ๋ยมาดูมาสู่ พอได้สูบบุรี่ความหมุดหงิดดมคานใจไม่สบายใจก็จะละ ง, งับลงไปชั่วคราวเดี๋ยวสักละยะหนึ่งความอยากสุบุรีก็จะกลับขึ้นขึ้นมาใหม่อาจจะกลับมามากกว่าเดิมเวลาเริ่มสูบุหรีให่ใหม่ๆแล้วอาจจะสูบวันละสองสามมวนสี่ห้าหมวน ต่อไปเราก็สืบวันละสิบมวนสูบวันละหนึ่งสองคนที่สูบมากๆก็วันละสามสองสี่สองจนต้องหยุดเพราะว่าร่างกายรับควันบุหรี่ไม่ไหวเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาตอนนั้นจะหยุดไม่หยุดก็ต้องหยุดจะทุกข์รือไม่ทุกข์ก็ต้องหยุ ด, ยดเพราะว่าสูกก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าหยุดก็ทุกข์ทางใจ ถ้าสูบก็ทุกทางร่างกายร่างกายรับไม่ไหวร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยและจะตายไปได้นี่เป็นเพราะว่าไม่มีกําลังใจอะไรคือกําลังใจกําลังใจก็คือกําลังหยุดใจเราจะหยุดอะไรได้เราต้องหยุดใจของเราให้ได้ก่อนหยุด กำลังใจก็คือการทาใจให้สงบนี้เองการทำสมาธิเวลาทำสมาธินี้ก็เท่ากับหยุดความอยากหยุดความคิดความอยากนี้ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากก็ทำงานไม่ได้ถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่รู้ว่าเราอยากเราก็จะไม่ได้คิดถึงบุรี เมื่อเราไม่ได้คิดถึงบุหรี่เราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะสู่บุหรี่แต่ถ้าเรายังคิดถึงบุหรี่อยู่ก็จะเกิดความอยากที่สู่บุหรี่ตามมาดัางนั้นเราต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นมากำลังใจก็คือกำลังหยุดกำลังหยุดก็คือสมาธิแน่นการหยุดใจทาใจให้นิ่งทาใจให้สงบ ใจเป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์จะหยุดได้ก็ต้องมีเบรคถ้าไม่มีเบรครถยนต์ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยากจะมีกำลังใจที่จะหยุดความอยากาต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆเราก็ต้องเจริญสมาธิกัน นั่งสมาธิให้นักมากทาใจให้สงบให้มากๆให้นานนานให้บ่อยๆเพื่อใจจะได้มีกำลังหยุดมากขึ้นไปตามําดับถ้าเรานั่งสมาธิได้ชั่วโมงหนึ่งเราก็มีกำลังหยุดได้ในระดับหนึ่งถ้าเรานั่งวันละสองชั่วโมงเราก็จะได้กำลังหยุดสองเท่าถ้าเรานั่งวันละสามชั่วโมงเราก็จะได้กำลังหยุด สามเท่าขึ้นไปตามลำดับถ้าเราปฏิบัติทําได้ทั้งวันนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมได้ทั้งวันเราจะมีกําลังหยุดความอยากทุกชนิดได้เมื่อเรามีกําลังหยุดความอยากแล้วเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราได้ดังนั้นสิ่งที่เราตอนนี้ไม่มีกัน ก็คือกำลังที่จะหยุดความอยากเรามีปัญญาแล้วเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสุดยอดของปัญญาแล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ยามม า, ม า, ม, ามาประกาศพระธรรมคำสอนพวกเราจะไม่มีปัญญาจะไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจของพวกเรานั้นอยู่ที่ความอยากของเราเอง อันนี้คือปัญญาแนละ้วเมื่อก่อนไม่มีใครรู้แนมะ้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงทรงไม่รู้ทรงรู้วิธีหยุดความอยากได้เชื่อาวจากการนั่งสมาธิแต่พอออกอากสมาธิมาก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ไม่ทราบว่าความไม่สบายใจนั้นเกิดจากความอยากต่างๆ ภายในพระไทยของพระองค์เองจนหลังจากที่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนาพิจารณาดูพ้นข้าหาสาเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจก็ทรงพบว่าเกิดจากความอยากต่งตางๆนี้ จึงสามารถใช้สมาธิที่พระองค์ส่งได้เจริญแล้วมาหยุดความอยากต่างๆได้จึงได้ตัเสติเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็คือรู้ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากและรู้วิธีดับความทุกข์ก็คือการใช้สมาธินี้หยุดความอยาก ใช้ปัญญาสอนใจให้คอยฝืนความอยากให้ใหรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้อยากทำนั้นไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่อยากผลิตความอยากเพิ่มขึ้นมาใหม่เช่นเวลาได้สูบบุหรี่ก็เกิดความสุขใจ เพราะได้ดับความโกรธเกียดความรองคาใจไปชั่วคราวแต่ในขณะเดียวกันก็จะผลิตความอยากใหม่ขึ้นมาอีกนี่คือปัญญาที่พระเจ้าทรงตัดสู้แล้วนำมาเผอแก่สั่งสอนให้แก่พวกเราสอนให้พวกเรามาแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ใจความไม่สบายใจที่ใจของเราด้วยการหยุดความอยากของเรา ถ้าเราหยุดความอยากได้ก็แสดงว่าเรามีสมาธิมีกำลังมีเบรกถ้าเป็นรถก็มีเบรกถ้าเราหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีเบรกไม่มีสมาธิดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำกันก็คือต้องสร้างเบรกขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมามการจะสร้างสมาธิขึ้นมาได้ก็ต้องมีเครื่องมือ สมาธินี้ก็เป็นเหมือนกับการจับลิงเข้ากรงจิตนี้เปลียนเหมือนลิงการที่เราจะสั่งให้จิตสงบหวต่อไปนี้อยากคิดให้นิ่งๆให้สงบให้สบายเราสั่งมันไม่ได้มันไม่ฟังเราเพราะมันไม่มันไม่เคยอยู่ภายใต้อำนาจของเรามันเป็นผู้อยู่เหนืออำนาจของเรา เราต่างหากที่เป็นผู้อยู่ใต้อำนาจของมันมันต่างหากเป็นผู้สั่งให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เกิดความอยากต่างๆท า, าให้ทำตามความอยากต่างๆของใจมาโดยตลอดดังนั้นอยู่ดีๆวันดีคืนดีผู้ที่เป็นทาสจะลุก ค, คืขึ้นมาแล้วสั่งให้ผู้ที่เป็นเจ้านายนี้ทาตามคำ ทำตามความจั่ของท่านนี้ย่อมเป็นไปนไม่ได้ถ้าไม่มีอาวุธอาวุธที่ท่าจะใช้ในการต่อสู้กับเจ้าเจ้านายก็คือสมาธินี้มีการที่จะเกิดทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ก็ต้องมีเครื่องมือที่จะจับดิงคือจิตนี้ที่ ไม่ยอมอยู่ในความสงบเป็นเหมือนหลิงลิงนี้เดินปกติก็จะไม่อยู่ในความสงบจะอยู่เฉยเฉจะไม่อยู่เฉยเฉจะเล่นจะเที่ยวจะทํำนูน่นทำนี่ไปของมันไปเวลาต้องการให้ลิงนิ่งอยู่เฉยเฉต้องจับเข้ากรงการจะจับเข้ากรงได้ก็ต้องใช้เชือกรัดคอการรัดคอ ลิงได้ก็สามารถลากลิงเข้ากล่องได้จิตก็เหมือนกันจิตก็เป็นเหมือนลิงถ้าอยากจะจับให้จิตเข้าสู่ความสงบให้เป็นสมาธิให้นิ่งให้สงบก็จําเป็นจะต้องมีเชือกผูกรัดคอจิตเชือกที่จะผูกรัดคอจิตนี้ก็คือสตินี่เองสตินี้เป็นเป็นธรรมที่สําคัญที่สุด ในการที่จะควบคุมจิตใจในการที่จะมาดับความทุกข์ใจมาหยุดความอยากจําเป็นจะต้องมีสติก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้และเมื่อใจไม่สงบไม่เป็นสมาธิใจก็จะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้นั่นเอง พระพุทธเจ้าจึงยกย่องสติว่าเป็นธรรมที่สำคัญเป็นสำคัญเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถทำให้จิตสงบได้เมื่อจิตไม่สงบก็ไม่สามารถทำหยุดความอยากได้ทำตามปัญญาที่สอนว่าต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจ ก็คือความอยากต่างๆภายในใจตังนั้นภารกิจแรกของนักปฏิบัตินักภาวนาก็คือการเจริญสติซึ่งการเจริญสตินี้ก็จำเป็นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าทำแต่เฉพาะเวลามานั่งสมาธิจะไม่มีกำลังมากพอจะไม่มีกำลังที่จะเดิงจิต ให้เข้าสู่สมาธิได้เพราะเหมือนกับการจะจับลิงถ้าเรายังไม่มีเชือกเราต้องไปหาเชือกก่อนแล้วกว่าจะหาเชือกได้กว่าจะามาคล้องคอลิงได้เราก็หมดแรงซะแล้วเวลานั่งสมาธิตอนต้นก็ต้องต่อสู้กับความคิดปรุงแต่งต่างๆก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีสติที่จะ ควบคุมความคิ ด, ดกลุงแต่ได้กว่าที่จะควบคุมความคิดตลุงแต่ได้ก็นั่งไม่ไหวแล้วเจ็บแล้วเจ็บตามร่างกายต่างๆก็ต้องลุกขึ้นมาไม่สามารถทำใจให้สงบได้ดังนั้นเราต้องหาเชือกมาเตรียมคล้องคอจิตไว้ก่อนแล้วพอเวลาเรานั่งสมาธิเราจะได้ร่างมันเข้ากองได้ อย่างง่ายๆายแลวรวดเร็วเราจรึงจาเป็นจะต้องเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเราต้องเจริญสติตลอดเวลาเพราะเวลาใดที่เราไม่เจริญสติก็เป็นเวลาที่เชื่อบขาบนี่นเองเป็นเวลาที่เราปล่อยให้หลิ่งไปเล่นเข้นพ้พานดังนั้นเราต้องเจริญสติให้มีกำลังมาก ให้มีกําลังต่อเนื่องกันไม่ให้ขาดเพราะว่าเวลาใดที่ขาดเวลานั้นก็จะไม่สามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าเราสามารถดึงจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้เช่นถ้าเราใช้พุทโธเราก็กําหนดให้จิตบวกรรมพุทโธพุทโธไป ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ให้คิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยาาไปคิดให้เสียเวลาเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์กับการมาทำใจให้สุกคิดแล้วก็จะเกิดความฟุ้งซ้านเกิดความหงุดหงิดลำพางใจเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าคิดถึงบุหรีก็อยากจะสู่บุรีคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปท่องเที่ยว คิดถึงขนมนมเนยก็อยากจะรับประทานคิดถึงเครื่องดื่มต่างๆก็อยากจะดื่มคิดถึงภาพยนตร์คิดถึงละครก็อยากจะดูถ้าเกิดความอยากแล้วก็จะต้องไปทำตามความอยากเพราะถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็จะทุกข์ทรมานใจเราก็เลยจะไม่ได้มีเวลามาเจริญสติกัน พราะเราจะต้องไหลไปกับกระแสของความอยากต่างๆดัง น, นั้นสิ่งที่เราต้องพยายามเจริญให้มากให้มีขึ้นมาให้ได้ก็คือสติถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าสัมปชัญญะคือไม่ขาดตอนมีมีการระลึกถึงพุทโธพุทโธอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่เผลอไม่ลืม ทำอะไรในเอเรียบทีททำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้ากิจกรรมที่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดก็อยู่บริกรรมไว้เชื่อมทางแล้วก็ใช้ความคิดให้อยู่กับกิจกรรมเท่านั้นพอเสร็จกิจกรรมแลนะ้วไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็กลับมาบริกรรมพุทโธไปต่อ เกินกว่าจิตไม่คิดอะไรถ้าไม่คิดอะไรตอนนั้นก็จะไม่ต้องบริกรรมก็ได้ตอนนั้นมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่คิดปรุงแต่งอะไรต่างๆถ้ามีเวลาว่างเวลาที่จะนั่งสมาธิได้ก็นั่งได้เลยแล้วนั่งแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายรวดเลยว ภายในห้านาทีสิบนาทีจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ความสงบนี้ที่ว่าสมาธินี้ก็มีสองลักษณะด้วยกันสงบนิ่งเย็นสบายเป็นมีอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคักตตะลุ่มสัตว์แต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่มีอุเบกขามีความเย็นความสบาย สมาธิแบบนี้เรียกว่าสมาสมาธิสมาธิแบบหนึ่งเป็นสมาธิที่ไม่นิ่งยังมีการรับรู้เรื่องราวต่างๆเป็นความรู้ภายในเช่นพวกรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กายทิพย์ต่างๆหรือรู้อดีตรู้อานาคตหรือมีความรู้าสามารถความสามารถพิเศษต่างๆปรากฏขึ้นจากการทำใจให้สงบ สมาธิแบบนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่าจะไม่มีกําลังที่จะหยุดกิดเลสหยุดความอยากได้เวลาอยู่ในสมาธิแบบนี้ยังกิเลสยังทำงานได้เห็นอะไรสวยงามก็อยากจะอยากจะเห็นมากๆเห็นจะอยากจะเห็นานานๆเห็นอะไรที่ไม่สวยไม่งามไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปเกิดความกลัวขึ้นมาได้ ถ้าเมตตาวัฏอวังก็อาจจะทําให้ไม่กล้านั่งสมาธิต่อไปเวลานั่งแล้วไปรับรู้กับภาพหรือสิ่งที่น่ากลัวถ้าเข้าไปแล้วเจอสมาธิดั้บบนี้ก็ให้ถอยออกมาให้กลับมาหาพุทโธกลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธใหม่เพื่อให้เข้าไปสู่ความสงบนิ่งที่ไม่มี ไม่มีอะไรต่างๆปรากฏมีแต่ความว่ามีแต่ความรู้คือผู้รู้สักแต่ว่ารู้อยู่เพียงอันเดียวถ้าได้สมาธิอย่างอย่างนี้ก็ปล่อยให้จิตตั้งอยู่ในสมาธินั้นไปเท่าที่นานเท่าที่จิตจะตั้งอยู่ได้ในขณะนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจ ะ, จะเจริญปัญญา ปัญญานี้เราจะเจริญหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วการเจริญปัญญาก็เพื่อที่จะรักษาความสงบที่เราได้จากสมาธินี้เองเพราะว่าความสงบนี้จะหายไปเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้มาเตือนใจว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ เป็นต้นเหตุที่มาทําลายความสงบความสุขใจถ้ายังอยากจะให้ใจสงบเหมือนกับเวลาที่อยู่ในสมาธิก็ต้องระ ง, งับความอยากทุกๆแบบเช่นก็ออกจากสมาธิมาก็เปี้ยวปาอยากจะสูบบุหรี่อันนี้ก็ต้องหยุดพอสูบบุหรี่แล้วได้ความสุขเพียงนิดเดียวแต่จะทําให้ความสงบนั้นหายไปแล้วก็จะทําให้เกิดความอยาก ยังอื่นขึ้นมาอีกอยากสูบบเหรี่นะเดี๋ยก็อยากจะดื่เครื่องดืมอยากดืนเครื่องดืมก็แล้วก็อยากจะรับประทานขนมรับประทานขนมนะก็อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆไปเที่ยวไปเล่นไปทําอะไรให้เพลิดเพลินเพราะความสงบได้ถูกทําลายไปความอิ่มได้ถูกทําลายไป ถ้าเราไม่ทำตามความอยางความอิ่งความสงบก็ยังจะอยู่กับจิตถ้ามีความอิ่มความสงบความสุขก็จะไม่อยากไปทำอะไรจะไม่อยากไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ต้องดื่มตามวเวลาที่ได้กำหนดไว้ดื่มเรินแม่รับประทานเพื่อร่างกายเพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่ไปได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย แต่ไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาเพราะว่าความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้มันมีกำลังมากกว่าดีกว่าให้ความอิ่มความพอมากกว่าความสุขต่างๆ ท, ทั้งหลายที่จะได้จากการดูจากการฟังจากการดื่มจากการรับประทานนั่นเองตอนนี้หละถึงจะต้องคอยใช้ปัญญา คอยเฝ้าดูว่าใจของเรามีความอยากหรือเปล่าถ้ามีความอยากเราก็ต้องหยุดมันให้ได้นอกจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วยังมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากเหล่านี้ก็จะทาให้เราไม่สบายใจได้เช่นเราเห็นคนเขาพูดอะไรทาอะไรเราก็ถ้าเราอยากให้เขา ทำหรือพูดตามที่เราอยากเขาไม่ทาเราก็จะหงุดหงิดใจเราก็จะไม่สบายใจไม่พอใจแล้วเราก็จะไปแก้ที่เขาแทนที่จะมาแก้ที่ตัวเราเราก็จะไปบอกเขาว่าอย่าทาอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้พอเราไปพูดไปบอกเขาเขาก็ไม่พอใจเขาก็ตอบกลับมาเขาก็ต่ อ, ต, อต้านต่อสู้กับเราเดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะวิวาสกัน เกิดปัญหาขึ้นมารามปานจากน้ำพึ่งหยดเดียวกลายเป็นสงครามโลกขึ้นมาได้เพราะว่าไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั้นเองต้นเหตุของปัญหาก็คือความอยากของเราเองความไม่พอใจของเราที่เขาไม่ทําตามความอยากของเราแต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าความไม่พอใจความไม่สบายใจของเรา เกิดจากความอยากของเราเราก็ามาหยุดความอยากของเราก็าจบเขาอยากจะทําอะไรก็ต้องปล่อยเขาทำไปเขาอยากจะพูดอะไรก็ต้องปล่อยเขาพูดไปเราไปแก้เขาไม่ได้เราต้องมองให้เห็นว่าเขาเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนฝนตกแดดออกเราไปห้ามฝนตกแดดออกไม่ได้ทั้งใดเราก็ไปห้ามเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้นี่แหละเรียกว่าปัญญาเห็นว่าเป็นอนัตตาสัพเพธรรมานัตตาไม่มีอะไรที่เราจะไปสั่งไปบอกให้เป็นไปตามความต้องการเราได้เสมอไปเราอาจจะสั่งได้บ้างบางเวลาบางครั้งบางคราวแต่บางเวลาเราจะสั่งไม่ได้ เวลาที่เราสั่งไม่ได้เวลานั้นจะทำให้เราวุ่นวายใจและอาจจะทำให้เราต้องไปทำในสิ่งที่เสียหายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้เช่นสั่งให้เขาเขาไม่ทำก็เลยเอาไม้ไปตีศรีรษะเขาเพื่อให้เขาหยุดทำอย่างนี้ถ้าตีแล้วพลาดไปเขากลับมาตีเราได้เราก็จะเจ็บเนื้อเจ็บตัว แต่ถ้าเราหยุดความอยากของเราได้หยุดความอยากมีอยากเป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ได้ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปเหมือนกับเราปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปตามเรื่องของเขาฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปแดดจะออกก็ปล่อยมันออกไปเราก็จะไม่หดหดใจเราก็ไม่ต้องไปแก้ฝนฟ้าอากาศไม่ต้องไปจัดการกับฝนฟ้าอากาศให้เหนื่อยยากไปต่อๆ แล้วก็เป็นไปไม่ได้นี่แหละคือการใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องคอยดูจิตนี่แหละคือเรียกว่าการดูจิตจะดูจิตได้ต้องดูหลังจากที่มีสมาธิแล้วถ้าไม่มีสมาธิดูไปก็ทำอะไรไม่ได้ดูแลเห็นมันหงุดหิตเห็นมันอยากจะสู่บหริก็เลยต้องสู่บหรี่ถึงจะหายหมดุดหงิด ถ้าดูแบบนี้ก็อย่าไปดูให้เสียเวลาดูแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาคือหยุดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความหงุดหงิดใจของความไม่สบายใจของความรงคาญใจได้เพราะไม่มีกําลังนั่นเองดูจิตแบบนี้ก็ดูไปเสียเวลาถ้าดูแล้วไม่สามารถระงับความอยากต่างๆระงับความหงุดหิดความรงคาญใจได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะ พอข้ามขั้นตอนพราว่ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติไม่เจริญสติก่อนไม่ฝึกสติก่อนไม่หาเชือกมาคล้องคอลิ่งไว้ก่อนเมื่อมีเชือกคล้องคอลิงแล้วทีนี้ก็ลากหลิงเข้าไว้ในกรงได้แล้วต่อไปเวลาปล่อยลิงออกมานอกกลงก็คอยเอาเชือกดึงมันไว้เวลามันจะไปทำอะไรที่เสียหาย เวลามันจะไปทำตามความอยากก็ดึงมันเอาไว้ถ้าดึงมันไว้บ่อยๆต่อไปมันก็เข็ดมันไม่กล้าไปทำตามความอยากศากตร์เรื่องนี้ใหม่ๆเราต้องควบคุมบังคับต้องสอนมันให้ทำอะไรตามคำสั่งของเราจนกระทั่งมันมันยอมแพ้เราแล้วมันเชื่อฟังคำสั่งของเราหลังจากนั้นเราไม่ต้องใช้เชือกคล้องคอเหมือนก็ได้เราเพียงแต่พูดคาเดียวมันก็หยุดแล้ว สั่งมันมันก็หยุดเพราะมันกลัวกลัวจะถูกจับขังอยู่ในกลงเวลามันไม่ทำตามคำสั่งเราก็จับมันขังไว้ในกลงต่อไปมันก็จะเข็ดหลาวจะไม่กล้าฝืนคำสั่งจันใดใจก็เป็นอย่างนั้นใจจะเชื่อเราถ้าเราสามารถที่จะสั่งมาให้มันเข้าในอยู่ในความสงบได้ ต่อไปมันจะไม่กล้าฝืนคําสั่งต่อไปใจจะเห็นโทษของความอยากเห็นว่าเวลาอยากแล้วทําให้ไม่สบายใจพอหยุดความอยากแล้วความไม่สบายใจก็จะหายไปความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความอยากที่ได้แสดงให้ฟังเป็นตัวอย่างแล้วเช่นความอยากสูบบุหรี่อยากดื่มอยากรับประทานเวลานอกเวลาของ เวลาที่เราได้กำหนดไว้สำหรับร่างกายร่างกายต้องดืม่มต้องรับประทานเราก็ให้มันไปเหมือนกับให้ยาเหมือนกับรับประทานยารับประทานตามเวลาอาหารเราจะกำหนดให้รับประทานกี่มื้อก็กำหนดไปถ้าเป็นนักภาวนาก็าไม่เกินสองมือ้อหรือมื้อเดียวก็พอถ้าเป็นนักปฏิบัติเพราะว่าร่างกายไม่ต้องไม่ต้องการมากไปกว่า น, นั้น ถ้ารับประทานมากกว่านั้นก็แสดงว่าไม่ได้รับประทานเพื่อร่างกายแต่รับประทานเพื่อความอยากถ้ารับประทานเพื่อความอยากก็ต้องรับประทานอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้รับประทานก็จะงดเหน็ใจลาคาญใจไม่สบายใจแต่เวลาที่เราฝึกให้ใจรับประทานถึงรับประทานเพื่อร่างกายถึงเวลาเราก็รับประทาน เวลาไม่ถึงเวลาเราก็ไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกอยากอะไรเพราะเราไม่ได้ทําตามความอยากเราฝืนความอยากจนกระทั่งความอยากจะรับประทานจะไม่มีจะรับประทานเหมือนกับรับประทานยาเราไม่อยากรับประทานยากันแต่ถึงเวลาเราก็รับประทานยากันเพราะเรารู้ว่าถ้าไม่รับประทานยาโรคภัยแย้เจ็บก็จะไม่หายอันใดถ้าเราไม่รับประทานอาหารตามเวลา ร่างกายก็จะอยู่อย่างปกติสุขไม่ได้ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าตายไปในที่สุดเราก็รับประทานเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ไปแต่เราไม่ได้รับประทานเพื่อความอยากเพื่อให้เกิดความสุขจากการรับประทานนี่เรียก ว, ว่าการหยุดการมตันหาแล้วการหยุดภพราะว่ตัหาความอยากมีอยากเป็นก็เราต้องปล่อยวางทุกอย่าง ใครก็จะเป็นอะไรใครก็จะทําอะไรก็ต้องปล่อยเขาทาไปเราอยากไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ส่วนความอยากอีกชนิดที่สามเรียกวิภวตันหาคือความอยากไม่ให้สิ่งที่เราไม่ชอบให้เกิดขึ้นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ทุกข์ยากลําบากอยากไม่พบกับสิ่งต่างๆที่ไม่น่าไม่น่าพบไม่น่าปรารถนา แต่เราอยู่ในโลกที่เราไปสั่งมันไม่ได้เราไปสั่งร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันก็ต้องเป็นตายตามเรื่องของมันเวลาเราจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบก็ห้ามมันไม่ได้เวลาเราจะต้องพัดพาจากบุคคลที่เรารักสิ่งที่เรารักเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้อันนี้เราต้อง ทำใจถ้าเรามีกำลังสมาธิมีโอเบคาเราก็จะหยุดความอยากไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเราไม่มีวิภาควิหาไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เราละ ไม่มีความอยากไม่อยากจะพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบต่างๆอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะมาก็ต้องมาเราอยู่กับมันได้รัเพียงเป็นผู้รับรู้เท่านั้นเองไม่มีอะไรจะมาทำลายเราได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถมาทำลายใจได้ทำลายได้ก็เพียงแต่ร่างกายเพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจอยู่ในโลกหนึ่ง ใจอยู่ในโลกคิดส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกกระทา่าร่างกายจะพังไปหมดไปทุกสิ่งสิ่งของต่างๆทรัพสมบัติต่างๆจะพังไปหมดไปก็เป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจใจไม่ได้พังไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะใจอยู่อีกโลกหนึ่ง ร่างกายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆอยู่ในโลกกับธาตุแต่ใจอยู่ในโลกกับทิศโลกทิศกับโลกธาตุมิตรและโลกกันใจเป็นเพียงส่งสัญญาณมารับมารับรู้ผ่านทางร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนเครื่องรับความรู้ต่างๆข้อมูลต่างๆ ส่งไปให้ใจส่งภาพไปให้ใจดูส่งเสียงไปให้ใจฟังส่งอะไรต่างๆไปแต่เวลาเกิดอะไรขึ้นมาเกิดที่ร่างกายไม่ได้เกิดที่ใจแต่ใจไปทุกข์กับร่างกายเพราะว่าใจมีความอยากอยากให้สิ่งต่างๆที่ได้รับผ่านทางร่างกายนี้มีอยู่ต่อไปให้ดีเหมือนเดิมแต่มันไม่เป็นไปตามความ จริงของโลกนี้ความจริงของโลกนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาถ้าใจรู้ความจริงใจก็ไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะจะไม่อยากให้เป็นตามความอยากจะปล่อยให้เป็นตามความจริงอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดเวลาอะไรจะดับก็ปล่อยให้ดับไปทานั้นเี่ ขยับกันเข้ามาหรือปูเสือนั่งทั้งนอกก็ได้นะทั้งนอกมีเสือปูฝนไม่ตกแล้วใช่ไหมฝนหยุดแล้วเอาหม่ไปเอาเครื่องขยายไปตั้งใกล้ๆให้ได้ยิน นี่คือเรื่องของการแก้ปัญหาให้ถูกจุดปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราปัญหาของโลกเช่นการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติปัญหาอยู่ที่ใจไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เสือ่อมไม่หมดเท่านั้นเองลืงทาให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราหยุดความอยากไม่ให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายความเสื่อมความดับของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ใจเราไม่ได้ไม่เสียกับการกับการเกิดหรือกับการเดิ่กับการดับของสิ่งต่างๆใจจะเท่าเดิมเวลามาเกิดมามาได้ร่างกายก็มามือเปล่าๆไม่ได้เอาอะไรติดตัวมา เวลาร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเพียงแต่เหมือนกับคนที่เข้าไปดูภาพยนตร์นั้นเองเวลาเข้าไปดูภาพยนตร์ก็เหมือนกับว่าได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้พอภาพยนตร์จบคนดูก็ออกจากโรงไปไม่ได้เอาอะไรจากจอภาพยนตร์ไปของต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนโรงละครเป็นเหมือนจอภาพเป็นของที่อยู่ในจอภาพยนตร์ ใจผู้ที่อยู่โลกทิก์เพียงแต่มาดูภาพยนตร์ดูโลกนี้ดูเหมือนดูภาพยนตร์พอพอเครื่องมือที่ใจใช้เป็นผู้ส่งข้อมูลต่างๆไปให้กับใจนั้นหยุดทำงานคือร่างกายหยุดทำงานไม่สามารถส่งภาพส่งเสียงส่งกลิ่นส่งรสไปให้ใจรับรู้ได้ตอนนั้นก็เท่ากับใจก็ต้องออกจากโรงภาพยนตร์นั้นไป ก็ไปหาโรงภาพยนตร์โรงใหม่ดูใหม่ไปหาร่างกายร่างใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปรับรู้ว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาใหม่ได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สัมผัสได้มีความสุขความทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกับไปดูภาพยนตร์โรงใหม่ดูไปจนกระทั่งภาพยนตร์หมดมวลก็คือร่างกายหยุดทางานร่างกายไม่สามารถส่งข้อมูล มาให้กับใจได้รับรู้ได้ภาพยนตร์เรื่องนั้นก็จบไปแล้วเดี๋ยวก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มาดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ต่อนีคือใจใจเป็นผู้ดูภาพยนตร์นับไม่รู้กี่ล้านเรื่องแนละ้วเราใช้ร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือมารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วมาทำอะไรต่างๆตามความอยากของเรา สิ่งต่างๆที่เราได้มาเราคิดว่าเราได้แต่ความจริงเราไม่ได้หรอกเหมือนก็อยู่ในโลกนี้เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ได้เอาสิ่งต่างๆที่เราได้มาไปกับเราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเราก็ไปไปหาโลกถ้าเรายังมีความอยากอยู่ความอยากนี้ก็จะพาให้เราไปหาโรงใหม่ไปหาร่างกายใหม่เพื่อจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ต่อไปท่านั้นเองนี่คือเรื่องของใจของเรา ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุธเจ้ามามาสอนมาบอกให้รู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราเพราะว่าทำให้เรามีความทุกข์ใจกัน <c oughs> แล้วก็ทำให้เราต้องขวนขวายต้องดิ้นรนหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายมาอย่างนับไม่ถ้วนแต่การหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราว เวลาที่จะต้องพัดพากจากความสุขต่างๆไปก็จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าจสอนว่าอย่ามีร่างกายดีกว่าอย่าหาความสุขแบบนี้ดีกว่าให้มาหาความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ่นที่มีอยู่กับใจอยู่ตลอดเวลาดีกว่าไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็คือการทำใจให้สงบ การรักษาความสงบนั้นด้วยการหยุดความอยากต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจให้มันหมดไปถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์ไม่ต้องวิ่งหาความสุขต่างๆเพราะจะมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาไม่ต้องไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่จะต้องให้ความทุกข์กับใจ เนื่องจากไปหลงอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไปหมดที่การหยุดความอยากการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะมีกำลังที่จะทำตามคำสั่งของปัญญาได้ก็คือให้หยุดความอยากทุกรูปแบบความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส คือการมาตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้เ ป, mm. เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากมีอย่างนั้นมีอย่างนี้อันนี้ก็ต้องตัดไปอยากไปอยากมันมีอะไรก็มีไปเป็นอะไรก็เป็นไปมันเป็นของชั่วขาวไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนตายไปมันก็จบความาอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ต้องหยุดมันเมื่อมีร่างกายแล้วมันต้องมันก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตาย มันจะต้องมีการพัดผ้าจากกันคิดอย่างนี้จะได้หยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจที่เป็นต้นเหตุของการพาให้เราไปเวียนว่ายายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดได้เพราะว่ามันทําให้ใจเราหิวอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้ทําให้ใจเราอีกความอยากต่างๆที่เราทํานี้มันไม่ได้ทําให้อีกทําไม่ได้ทําให้ใจอีก แต่ทาให้ใจหิวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องหยุดความอยากต่างๆตามที่พระเจ้าได้ทรงหยุดด้วยการบําเพ็ญสติสมาธิปัญญา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก่อนที่จะบําเพ็ญสติสมาธิปัญญาได้ก็ต้องทําทานให้ได้ก่อนเพื่อเราจะได้ยุติการใช้เข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือการหาความสุขต่างๆ ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทองหาความสุขต่างๆเราก็ไม่ต้องหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลาที่เราจะมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาหยุดความอยากต่างๆได้นี่คือข้อแรกเราต้องหยุดการหาเงินหาทองหยุดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆแล้วเราก็จะมาเจริญสติสมาธิปัญญาได้มารักษาศีลหยุด ฟังหยุดยดความอยากต่างๆทำทรั้วกั้นไว้ก่อนศีลนี้เป็นเหมือนรั้วกั้นความอยากต่างๆเรายัางไม่สามารถหยุดความอยากได้ก็อย่าให้มันออกจากรั้วของศีลธรรมเพราะถ้าออกจากรั้วศีลธรรมก็จะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้การเจริญสติการหยุดความอยากต่างๆนี้ยากขึ้นไปอีก เราจึงต้องรักษาศีลห้าศีลแปดกันเราต้องหยุดการหาเงินหาทองหาความสุข ด, ด้วยการใช้เงินใช้ทองเพื่อเราจะได้มีเวลามารักษาศีลให้บริสุทธิ์และมีเวลาจเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาจนหลับสลับกับการนั่งสมาธิพอได้สมาธิได้ความสงบแล้วเวลาออกจากความสงบก็ใช้ปัญญารักษาสอนใจว่า อยาากถ้าอยากแล้วจะเกิดความความสงบที่ได้จากสมาธิจะหายไปจะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความหงุดหงิดใจลาคาญใจขึ้นมาถ้ามีปัญญาคอยสอนใจเราก็จะเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้ามีสมาธิก็หยุดได้ถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องกลับไปทําสมาธิให้มีกําลังมากขึ้นไปจนกว่าเราจะหยุดความอยาก ที่มันลอที่เราหยุดไม่ได้จนกว่าเราจะหยุดมันได้ถ้าเราหยุดได้เราก็แสดงว่าเรามีสมาธิเต็มที่แล้วเราก็จะหยุดความอยากทุกรูปแบบได้อันนี้นะคืองานของพวกเรางานที่จะยุติงานทั้งหมดทั้งหลายในโลกนี้งานางต่างๆในโลกนี้ต่อให้ทำไปมากน้อยเพียงไรมันก็จะไม่มีวันหมด เพราะมันจะมีงานใหม่มาต่ออยู่เรื่อยเพราะความอยากมันไม่มีวันหมกไปถ้ามีความอยากก็จะทำให้อยู่เฉยๆไม่ได้ก็อยากจะต้องไปทำนู่นทำนี่ต่ อ, อ่างนั้นขอให้เราศึกษาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องว่าปัญหาทั้งหมดนี้อยู่ที่ความอยากของเราความไม่สบายใจความทุกข์ใจความหงุดหงิดลำคาญใจ ความอะไรความไม่ดีทั้งหลายที่เรามีอยู่ในใจนี้เกิดจากความอยากของเราถ้าเรามีก็สแสดงว่าเราไม่มีกําลังที่จะหยุดมันหรือเราไม่รู้วิธีที่หรือเราไม่รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความอยาก ต, ต้นเหตุของความไม่สบายใจต่างๆตอนนี้เรารู้ครึ่งหนึ่งแล้วเรารู้จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความทุกข์ต่างๆ ความทุกข์ใจความไม่สบายใจต่างๆนี้เกิดจากความอยากของเราดั้นเราต้องทุกครั้งที่เราไม่สบายใจเราต้องย้อนกลับเข้ามาดูที่ใจของเราว่าตอนนี้เรากําลังอยากอะไรแล้วถ้าเรารู้ว่าอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้าหยุดไม่ได้เราก็ต้องไปนั่งสมาธิไปฝึกทําใจให้สงบให้มีกําลังที่จะหยุดมันให้ได้พอเรามีกําลังมีสมาธิแล้วเราก็จะหยุดมันได้ ต่อไปเราก็จะไม่มีความไม่สบายใจอยู่ในใจเรเลยจะมีแต่ความสบายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าโลกนี้จะเกิดด้วยจะดับฝนน้ำจะท่วมแผ่นดินจะถลม่มจะเกิดสงครามหรือจะเกิดอะไรต่างๆมันจะไม่กา ร, ระทบกระเทือนใจของเราใจของเราจะไม่วุ่นวายไปกับ สิ <necessary. S 2> brain, brain, ่งต่างๆเพราะใจเราไม่ได้มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาตามความเป็นจริงของเขาเพราะอย่างไรเราก็ไปแจ้งเลยไม่ได้ถ้าเกิดสงครามวันนี้เราก็ไปหยุดเลไม่ได้ถ้าเกิดน้ําท่วมวันนี้เราก็หยุดเไม่ได้แต่เราหยุดความทุกข์ภายในใจของเราได้ด้วยการหยุดความอยากของเราด้วยการทำสติด้วยการจเจริญสติด้วยการ นั่งสมาธิดังนั้นก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายจงเอาความจริงที่ท่านได้ยินได้ฟังวันนี้ว่าความไม่สบายใจความทุกข์ใจต่างๆนี้อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราอยากจะให้ใจเราสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆภายในใจของเราอย่าไปแก้ข้างนอกแก้ข้างนอกแก้ทั้งเันก็ไม่มีวันหมด ถ้าแก้ข้างในแก้ที่ความอยากของเรารับรองได้ว่าปัญหาจะหมดไปเพราะมันได้รับการแก้มาแล้วได้รับการทําให้หมดไปแล้วจากพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีปัญหาแล้วกับเรื่องราวต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา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 สบายเขไม่มีความอยากต้องใความอยากก็ได้ถ้าไม่มีความอยากก็สบายอยกดีมีดวงก็สบายจะมีความอยากแล้วเป็นหมาเศรษฐีก็ไม่สบายได้ฟังดีหน่อยนะรุ่งช่างสลาค่ะ ถ้าท่านใดถ้าอยากจะถามปัญหาข้อสงสัยอนไดก็เชิญถามได้วิการอยากจะถามอะไรไหมอาจารย์อะไรที่สวือม่าาิิว่าทิฏฐิาว่าทิฏฐิก็คือความเห็นความเห็นผิดไงวิจาทิฏฐิ ถาให้มีความเห็นถูกต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นว่าเป็นสุขขังอัตตาเป็นอนิจจังนี้แสดงว่าเห็นความผิดถ้ามีความอยากให้ทุกอย่างเที่ยงให้ทุกอย่างให้ความสุขกับเราให้เป็นของเรานี้แสดงว่าเป็นความเห็นผิดต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงต้องมีการพัดผ้าจากกันเป็นธรรมดาต้องเห็นว่าเป็นความทุกข์ ถ้าเราไปอยากให้เขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่อยู่กับเราต้องเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าเป็นอนิจยังทุกข์กังขณาตาเราก็จะปล่อยวางได้เราก็จะไม่ยึดไม่ติดจะไม่ว่าจะเป็นใครคนเราลักขนาดไหนถ้าเขาจะตายเราก็ปล่อยได้เพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอนิจจังเราต้องเกิดแล้วเขาต้องดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องปล่อยเขาไป ถ้าเราอยากเมื่อไหรเราก็จะทุกขึ้นมา ท, าทันทีทุกข์ก็ไม่ได้ไปแก้เขาเราก็ทุกข์ก็ไปห้ามเขาไม่ให้ตายไม่ได้อยู่ดีเราทุกข์เขาก็ตายเรื่องเรื่องอะไรเราต้องไปทุกข์เขาก็ตายอยู่ดีแต่เราทําอะไรให้กับเขาได้เราก็ทําทําเท่าที่เราทําได้ทําจนกว่าเราจะทําไม่ได้ไมันก็ต้องจบความอยากมันทําให้เราเกิดความทุกข์ความทุกข์ความเอ่อความโหน่งทำให้เกิดความอยาก หลงว่าเป็นของเราหลงว่าจะต้องอยู่กับเราจะต้องให้ความสุขกับเราเราก็พยายามทำทุกวิธีทางที่จะให้เขาอยู่กับเราให้ความสุขกับเราให้ได้ยิ่งพยายามทำเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกขึ้นให่ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางการไม่อยากการจะไม่อยากก็ต้ขของเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขงนะัองอนัตตาพระเจ้าถึงสอนให้พุทธเจาใจรักอยู่เรื่อย พิจารณาทุกสิ่งว่าไม่เทีย่ยงเช่นร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดผ้าจากกันเป็นธรรมดาอันนี้และไปรักให้รับพิจารณาตายรักพิจารณา น, นิจังเป็นธรรมดา ก, ก็คือเป็นธรรมชาติเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้สั่งให้เขาไม่จากเราไปไม่ได้ถึงเวลาเขาจะแก่จะเจ็บจะตายจะจากเราไป เ, เขาก็ไปของเขาอย่างนั้นแหละ เราจะทุกข์ไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ว่าเราจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเราจะอยากหรือไม่อยากถ้าเราไม่อยากให้เขาอยู่เขาไปเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือการปฏิบัติเป้าหมายก็คือหยุดความอยากก็หยุดความอยากก็ต้องเห็นใจรักเห็นนั้นทียังทุกข์ขังอำนาตาเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์อยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย จะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิจะมีสมาธิก็ต้องมีสติจะเจริญสติสมาธิได้ก็ต้องหยุดหาเงินหยุดใช้เงินก <pues S 1> <อ>้าวเงินมาซื้อออเอาบุญมาทำเอาเงินมาทำบุญแทนถ้ามีอยู่ในตัวเดี๋ยวมันจะไปเที่ยวจะไปซื้อบุนซื้อนี่ก็เอามาทำบุญเถ่ะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินต่อไปอพอเงินหมดแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงินแล้วก็ได้มีเวลามาเจริญสติมา ปฏิบัติทำได้นี่ก็คือตองเห็นว่าทำไมเราต้องทาบุญต้องเสียสาะเพราะเงินเวลาอยู่นีอยู่กับเราไม่เป็นอันตรายถ้าเราไม่รู้จักควบคุมความอยากมันจะถูกความอยากเอาเอาไปใช้หมดพอหมดแล้วมันก็จะบังคับให้เราไปหามาใหม่เพื่อจะได้มาใช้ใหม่มันก็จะวนเวียนอยู่การหาการใช้จะไม่มีเวลามาจเจริญสติมาเบิกวิเวกมาปฏิบัติธรรมกัน แล้วก็จะมาอ้างว่าไม่ว่างอย่างนู้นว่างอางนี้ในการทําทานไม่ได้ต้องการอะไรต้องการให้เราหยุดการใช้เงินหยุดการหาเงินเพื่อเราจะได้มีเวลามาปิดวิเวกมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาหยุดความอยากกันมาบรรลุมรกผลที่ผ่านกันมีแค่นี้นเองง่ายจะทายไปไม่ทํากันเองมันก็เ ย, ยากยังอยากใช้เงินยังอยากหาเงินเงินอีก มีอะไรอีกไหมไม่มีจะให้ตนก่อนนะเผื่อเดี๋ยวค่อยนักค่าถามทีหลังเดี๋ยวท่านที่อยากจะไปจะได้ไปได้ <c oughs> ยะถ า, าวารืวาหาปุราารุเรนติสาวกังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรปฏิอจิตังปฏิตังตุ่มหังคิดเมวะสมิจจตุสัพเปุเรนตุสังกปา จันโทปนนระโสยถามโชติระโสยถาสัพพิโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตผวะตวันตาโยสุขีธีกายุโกภวะอภิวาทนสีลสานิจจวุฒาปจายโนยัตตาโรธรรมวทานติอายุวันโนสุขัง อาลรสาธุสาธุสาธุจะถามอะไรนะหนึ่งที่ท่านอาจารบอกว่าเอคนที่โทนาไปแล้วรู้วัลจิตคนหรือรู้รนะคนนี้เป็นวิชชาจิตินี่จะปรับยิ่งให้เป็นสมารถิธิได้ไหมก็ <c oughs> อย่าไปรู <c oughs> ส้สิเวลามันจะไปรู้ก็อย่าไปรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้เ็นเหอนให้กขาเหมือนรู้ให้ใช่ว่าใส่บาแบแอกหายอย่าไปสนใจพยายามเข้าสู่ความสงบให้ได้ เวลาไปรับรู้อะไรขนาดที่พอวนะก็ดึงกลับมาหาพุโทโธอย่าไปตามรู้แต่หน้าตรงนี้ตรงนั้นเราไม่ไปอยากได้มันมันมีมาเองนี่นะคะก็หยุดมันได้ไงก็อย่าไปรับรู้มันมันมาก็อย่าไปรับมันเขาให้ของมันก็ไม่รับเดินหนีไปแท้ก็หมดเรื่องแต่ในความสิว่าบางครั้งจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะคะมันไม่เป็นประโยชน์กับการดับความทุกข์ใจ มันดับกิเลสไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้มันทําให้หาเงินหาทองได้แต่เงินทองมันดับความทุกข์ใจไม่ได้ใจ ไ, ไ, ไหมเราต้องการดับความทุกข์ใจเราต้องการหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ต้องเป็นสัมมาสมาธิต้องนิ่งเฉยต้องสัว์แต่ว่ารู้ไม่มีอะไรให้รับรู้ถ้าถึงตรงจุดตรงนั้นนี้วมันสามารถจะข้าม ก็อยู่ที่เราเรามังคับมันได้พราเนจะไปรู้เรื่องอะไรเราก็ดึงกลับมาหาพุทโธทำพุทโธต่อไปบรรคการพุทโธพุทโธต่อไปในความคี่ของมึงมีความถ้าถึงจุดตรงนั้นแล้วมันเหมือนกับมันละเอียดกว่าที่จะไปอยู่มันอยู่กับพุทโธนะใช่แต่ละเอียดแบบเป็นโทษอ่มันไม่ละเอียดแบบเป็นคุณมันต้องถ้ามันกลับไปช่องที่มันละเอียดเป็นคุณก็คือนิ่งว่างสงบสัจจะว่ารู้ป็นดูเบกขา เราเข้าผิดช่องนะี้ยเข้าไปในช่องร้อนไม่ใช่เข้าไปในช่องเย็นแต่เรื่องบางอย่างคือรู้เราไปช่วยคุณได้ไหจ๊ะค่ะได้แต่มันไม่ได้ช่วยเราแล้ว <c oughs> ต้องการช่วยเราไม่ต้องการช่วยคนอื่นตอนนี้ตัวเราช่วยไม่ได้แล้วเราไปช่วยคนอื่นได้ยังไงคือมีความคิดเหมือนว่าเรากาลังเดินทางอยู่เนี่ยในสิ่งที่เรากำลังเดินทางมาหยุดถึงตรงนี้เนี่ยเรารู้เห็นว่ามันเป็นยังไงขณะที่มีคนเดินผ่านมา ซึ่งเขาถามเราทั้งจุดตรงนั้นเราอาจจะบอกเขาได้บางส่วนนะก็อย่างว่าอยากจะได้ได้ท้ายสองตัวแล้วอยากจะได้รางวัลที่หนึ่ง <c oughs> เวลาตรวจลอตเตอรี่ได้สองตัวก็ไปขึ้นเลยไม่ไปตรวจด้วยรางวัลที่หนึ่งเป็นอะไรก่อนรางวัลที่หนึ่งไม่เอาจเยาวแค่สองตัวก็ไม่ว่าอะไร <c oughs> อยาจะไปช่วยก็ไปเรื่อยไม่ว่าอะไร อูที่เราต้องการสองตัวพอพอเปิดเช็คดูว่าถูกสองตัวดีใจใหญ่ไปขึ้นเลยไม่ไปเช็คดูกั่วานลงวันที่หนึ่งถูกหรือเปล่า <c oughs> วันที่หนึ่งก็มักผลทม่ผ่านถ้าไปช่วยคนอื่นเ็เวียน่ายตายเก๋ยนี้ไปเรื่อยๆจะเอาอะไรเข้า <c oughs> ใจไหม หลวงปู่ม่านท่านก็ช่วยคนอื่นจะท่านอายุหกสิบเนี่ยท่านถึงปีกเวีไปอยู่เข้าป่าอยู่คนเดียวที่เชียงใหม่สิบปีท่านบรรลุที่นั่นกนะ่อหน้านั้นท่านก็ยังไม่บรรลุท่านก็คอยช่วยลูกศิษย์ลูกหาคอยสั่งคอยสอนคอยพาเ้าภาวนาปฏิบัติธรรมไปแต่ตัวท่านเองก็ยังไม่บรรลุ ถ, ถึงขั้นสูงสุดท่านอาจจะบรรลุ บ, บางขั้นแล้วก็ได้ไม่ทราบว่าท่านถึงขั้นแตอยน้อยสมาธิคิดว่าได้แน่แลนะ แต่เรื่องอริยมารคผลยัไม่ทราบว่าท่าได้ในอย่างตอนนั้นแต่ท่านมีความเมตตาเมีคนมาศึกษามาพึ่งพาสายท่านท่านก็สอนพาปฏิบั ต, ต, ต, ติตั้งพระทั้งเนรทั้งทัญาติทั้งอยู่แต่ท่านเริ่มเห็นว่าเราไปไม่ถึงไหนเสียทีอายุก็แก่มากนะเปิดดีกว่าเลยห น, นีเข้าป่าไปอยู่รงเดียวใครจะติดตามท่าก็ไม่ให้ติดตามใครตามไปพบท่านก็ห น, นีเี่ยวกันวันสองวันก็แยกทางกันไปคนระับไม่ยุ่งกับใครเลย ต้องการปิ ว, วเวกเพื่อเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่แต่พอท่านสำเร็จนล้ที่นี้นก็ออกมาปรดอายุเจ็ดสิบก็มีท่านุกคุณไปอาราธนามาให้มาปรดท่านก็มาสั่งสอนต่ออีกสิบปีแล้วท่านก็มานณาอาพคือบนขั้นทาซึ้ว่ายาจะปรับใจอย่างนั้น น, งงนัาา่นแหละก็เรียกพุทธภูมิพวกนี้ก็เรียกพวกพวกจิตที่ติดกับพุทธภูมิอยู่อย่างอยากจะเจริญเมตตาบารมีทานบารมีอยยังไม่อยากจะเนคขมมากบารมีเนี่ย<ม>จะฝึกยังไงให้มันขาดก็ดูเลยก็ดูดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ออกจากวังไปก็อยู่คนเดียวหลงปู่มั่นมันก็ไปอยู่คนเดียว เราก็ต้องมาอยู่คนเดียวไปหาที่วัดที่ไหนอยู่คนเดียวแล้วก็เวียนว่า้ตายเกิด อ, อย่างนี้ต่อไปเพ่อก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเองอย่างนี้ต้องเข้าสมาธิให้เล็พึดพอทอนเะก็ต้องเข้าไปในอภินาะเข้าไปในจิตที่ไม่มี ไม่มีอะไรเลยมีแต่สักแล้ว่ารู้อุเบกขาเ<ม>ด็คักตาลงแต่ว่าย่านี้เหมือนเคยไปถานไม่แบบถึงขั้นตรงจุดนั้นแล้วเหมือนกับถ้าเราจะไปถอนก็คือต้องไปถตรงนั้นแล้วเพื่อนถอมันออกมาเลยก็บันถึงแล้วเราก็ต้องถอนออกมาเหมือนเราเดินผ่านบารเราเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวเข้าไปเลยต่อไปเวลาเจอบาก็อยากเข้าไปเดินต่อไป เราติดเข้าบาร์ก็ใช่ไหมเรเดินผ่านบานี้ก็ต้องเข้าแวะก่อนๆ น, นะต่อไปต้องทำใจแข็งๆเดินต่อไปไม่เียไม่เปิดประตูบาร์ก็ไปลนะเดินเดินเลยไปเลยคนฝึกใหม่ก็พูดโทพูดโไปเจริญสติไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะเข้าสู่ความสงบ ตอนนี้ถ้าเกิดไปเจอปัญหาอย่างนี้เราก็อย่างน้อยเราจะไรู้ว่าไปไปผิดที่และเข้าช่องผิดแ ล, แล้วเราก็ถอยออกมาได้ถ้าไม่รู้มาก่อนก็อาจจะคิดว่าเป็นทางถูกเพราะคนสมัยนี้มักจะคิดว่านั่งแล้วจะต้องเห็นนั่น mm hmm. เห็นนี่ต้องมีฤทธิ์มีเดชถึงจะวิเศษวิโสแต่วิริเดชนี่มันจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเห็นไหมข่าวข่าวที่กําลังดังอยู่นี่ฮนะพระมีฤทธิ hmm. ์มีเดช เหาะหินเดินอากาศได้กิเลสมันก็เลยเอาไปใช้ให้ไปซื้อเครื่องบินซื้อลถซื้อบ้าบอคอแตกอะไรต่างๆอันี้มันเรื่องของกิเลสล้วนมีสมาธิมีแต่สุนทรภิกช้าสมาธิถ้ามีอัปปนาหรือมีสมาสมาธินิจใจมันจะไม่หิวมันจะอิ่งมันจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ เพียงแต่ว่ามันมันอินชั่วคราวเวลาอยู่ในสมาธิท่านั้นเองเวล า, าออกมาถ้าเผลอไปเห็นเขา้ามันก็หิวได้พอมันหิวว่าต้องใช้ปัญญามาหยุดมันเนีไงเราถึงต้องสอนปัญญาว่าอย่าไปอยากเห็นรถคันยาวๆก็อยา่ยาไปอยากได้เห็นเครื <front> ่องบินก็อย่าไปอยากได้อย่าไปอ้างว่าเอาไปใช้กินนมนต์กินนิมนมต์นนบ้าบ อ, อ, อเอาแต่เอาไปมึงใช้เครื่องบินนสก็เหมือนกันเหรอหนักกว่าก็ <ไ ropes. S 2> น, นาน่านานามาไม่นิพพานก็คืองานที่เราทําเสร็จแล้วไงถ้าเราทํางานเสร็จมันก็เป็นนิพพานจะชาติไหนมันก็เป็นนิพพานเหมือนกันกฎ<ม>หมายคำว่างานนิพพานชาตินี้อ่าก็อยู่ที่ทํามากทําน้อยทํามากมันก็เสร็จเร็วทําน้อยทําน้อยก็เสร็จช้าเหมือนตักน้ําเสร็จตุ่มคุณตักน้ำวันละขันกับตักน้ำวันละร้อยขันนี่อันไหนมันจะเต็มเร็วกว่ากัน อ่าเต็มแล้วมันก็เต็มเท่ากันใจมันเต็มแล้วมันก็เต็มมันก็อิ่มมันก็พอใจของพระพุทธเจ้าใจของพระหลจานตาสถาโลนี้เท่ากันในเรื่องของความอิ่มต่างกันตรงที่บาลีความสามารถที่จะที่จะสั่งสอนหรือจะแสดงธรรมนี้ต่างกันแต่ความอิ่มความสึ้นสุดของการเวีนว่ายตายเกอดนี้เท่ากัน ถ้าเปรียบเหมือนคนไข้ก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันยงแต่ว่าเวลาหายแล้วคนคนหนึงสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้คนหนึงเดินไม่ได้เดินดินไปอันนี้เป็นเรื่องของบารมีของแต่ละคนแต่การเหาะเหินเดินอากาศได้มันไม่ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายได้แต่เมื่อก่อนเคยคือรัง มีความนึงช่วงหนึ่งมุ่งมั่นมากที่เอาชาที่ได้ซึ่งถ้าช่วงนั้นตั้งใจอย่างนี้โอ้โหสุดอยากันหน่อเข้าวหมดรับไม่ไหวเหมือนกันนี่ยก็เริ่มใหม่ได้ทําใหม่จนกระทงตอนนั้นเพิอนออกมาเลยถอมาตั้งหลักโฮมรับขนาดนี้ไม่ไหวจะ<อ>ไกปกาดของภูร่าที่พูเจ้าก็หลังาที่ท่านฉันอาหารเสร็จท่านก็คือนั่งระหว่างกันเนี่ยท่านก็ชาชา้อนนี้ฉันข้าวเสร็จกระคาบให้มันเก็บเนื่องการเกิดอย่าได้อยากเกิดอีกเลยคือพูดกันอย่างนี้โอ้โหอยากทำให้ได้จริงๆเลยแต่ ตั้งใจที่จะนั่งเลยมันก็กระดับมาจนต้องถอยทุกครั้งเลย <laughs> แ, แสดงว่ากำลังเรายังไม่พอต้องพยายามฝึกสติให้มากๆสตินี่จะทําให้เรามีสมาธิแล้วพอมีสมาธิแล้วใจจะเป็นเหมือนหินน่ะอะไรใจมากระดับยางไงมันก็ไม่ขยับแล้วใจเราตอนนี้ยังเป็นเหมือนปุ๋ยนุ่นอยู่อะไรมานิดนีงก็ปุ๋ยก็ปิวไปตามใจเราอ่อน ไ ม, ไม่แข็งไม่หนักไม่แน่นขาดสติสติไม่มีกำลังที่จะทำให้ใจนิ่งให้สงบเป็นเหมือนหินแล้วก็ขาดปัญญาด้วยมีสมาธิมันก็มันก็ดีแต่ต้องมีปัญญามันถึงจะ ถ, งถึงจะดีกว่าเพราะมันจะทำให้เป็นแข็งอย่างเท้าวรนไม่แข็งแต่จะก้ออยู่ในสมาธิ เรีกว่าต้องฝึกคิดเจรจาในในรักขณูติใช่ใชต้องเห็นใจรักแล้วก็จะแข็งจะปล่อยวางทุกอย่างไนดะ้เห็นว่าทุกอย่างในเรื่องนี้เป็นเป็นเพียงดินน้ําลมไฟนะเราไปหลงคิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลผู้ที่มาครอบครองดินน้ําลมไฟเขาไม่ได้เป็นดินน้าลมไฟเขาเป็นดวงจิตแต่ละคนนี้พวกเราเนี่ยแต่ละคนมีดวงจิตมาครอบครองร่างกายนี้แต่พวกเรากลับมาห่วงร่างกายของกันและกันไมไ่ไปห่วงจิตใจของกันและกันแทน กัวร่างกายเขาจะแก่จะเจ็บจะตายจะจากเราไปจะเดือดร้อนไม่กลับไม่ไปห่วจิตใจของเขาที่ทุกขุ่นวายเพราะเกิดความอยากเราควรจะมาช่วยเขาหยุดความอยากไม่ใช่ไปช่วยเสริมทําตามความอยากเข้าใจไหมรับแจ้งว่าจิตของผู้ที่ฝึกสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิจะเป็นสัมาทิฏโดยธรรมชาติใช่ไหมคะ เือในระยะนึง่งมือนเป็นยเป็นสมาสมาธิยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิต้องเกิดความเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเห็นอริยรสัสสัตสีนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้ไปด่ปผสมได้บนขึ้นไปใช่ใชหเห็พระอัญญากุณฑะยะที่แปลว่าสิ่งใดมีการการมีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอนั่นแหละสัมมาทิฏฐิน่ะไม่หลงแล้ว ละสัตยายาทิฏฐิได้แล้วและ ว, ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเป็นหุน่นผู้ที่เชื่อหุ่นก็คือจิตจิตไม่ได้เป็นร่างกายจิตไปทุกขกับร่างกายเองไปยึดไปติดไปหลงว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของเราพอจะต้องเสียร่างกายไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็ปล่อยมันการนั้นเองมันจะตายก็ปล่อยมันตายจิตก็จะหายทุกทันที ธรมาทิฐิต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงดินน้ำลมไฟธาตุสี่ร่างกายของทุกคนนี้เป็นเพียงเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนตัวตนคือตัวจิตตัวที่ทําให้เกิดตัวตนขึ้นมานี่คือตัวจิต ต, ตัวจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวจิตอยู่ในโลกทิศสั่งการผ่านกระแสจิตสั่งการให้ร่างกายทำทำอะไรผ่านกระแสความคิดรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่า น, ผ, านผ่านทางทวารทั้งห้า ดวงตาหูจมูกเนื้ง่ายพอไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ได้ต้องมีร่างกายใหม่ถึงจะมารับรู้ได้ใหม่ถ้ายังมีความอยากก็จะไปหาร่างกายใหม่มารับรู้ต่อมาทุกต่อไปมาอยากต่อไปเอาเนอะเข้าใจนะ ก็ข อ, อยุติไว้เพียงแค่นี้นะสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับสามารถติดตามเทศนาหรือหนังสือต่างๆได้ในพาร์ตูชาต์ .com นะครั บ, บราาหรือที่ f a เฟซบุ๊กอาจารย์สุชาติวิชาโตนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบถ้ามาไม่ได้ก็ติดตามรับชมได้ในเฟซบุ o กและพาร์ตูชา .com ม, มีปัญหาอะไรก็ถามได้คนนี้ก็ยาวคําถามมาตอบมามาถามที่นี้ แล้วก็จะเอาไปใส่ใน Facebook ต่อไปในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ยุ่งไม่มีเวลาไปไหนเลยไม่มีข่าวไม่ยังใช้ได้อยู่ก็มีเล่นไปเล่นไปเมื่อไหร่ว่าต๋าจะทำ Facebook ทำไ้อยังเดี๋ยวนี้ก็ใช้ Facebook กันนะมันติดต่อกันง่ายกว่าไม่ต้องเข้าเว็บ ใช่ชชชมันต้องใช้เวลามากต้องหาคนที่ว่างๆช่วยทำให้ถ้าจัดหรืออยากจะละเรื่องเกิดการมานค้าอาจจะซื้อมาฟคืออยากจะลาเรื่องแบว่า คิดาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยใครคืออยากจะให้คือรู้สึกว่าจะต้องฝึกอะไรอสุภะแต่หนูไม่ทราบว่าจะเริ่มยังไงก็นึกถึงส่วนที่เราไม่ ส, ส่วนที่ไม่น่าปรารถนาของร่างกายเอย่าไปดูส่วนที่ที่น่าปรารถนาส่วนใหญ่เราจะปรารถนาที่หน้าตาที่รูปร่างแล้วก็ดูส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเช่นดูส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนึกถึงกระโหลกศีรษะโครงกระดูกของเขา นึกถึงกลับไตไส้พุงเธอนับถึงนึกถึงกลิ่นกมือนเหมือนที่ออกมาตามร่างกายาต่างๆหนูก็พี่เคยดูวิดีโอเกี่ยวกับที่เขาผ่ า, าตัดหนูก็ยังไม่รู้สึกอะไรแล้ว เ, เราต้องดูว่าส่วนไหนที่เราไม่ชอบในร่างกายเรามีส่วนที่เราไม่ชอบอเช่นอุจจาระปัสสาวะอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเราคิดถึงบ่อยๆคิดถึบ่อยๆคิดถึงว่าเราหยิบอุจจาระของเขาขึ้นมาได้หรืเปล่า ถ้าเราถ้าเราจับเนื้อต้องเกลือเขาได้เราหยิบภูจราระของเขาได้แบบอเ่าคิดอย่างนี้ดูหรือเวลาเขาเนาตายแล้วเรายัางจะนอนกอับเขาได้หรือเปล่า <c oughs> แต่สมมติวันนี้เขาตายคืนนี้ให้เขานอนกับเราสักคืนหนึ่งจะได้หรือเปล่า่กีทันความดีก็เรื่องของความดีไม่ใช่เรื่องของร่างกาย ความดีก็เรื่องของความดีอ๋ก อ, อก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องใช้ความจริงมายินอย่างว่าตอนนี้คนนี้เขาไม่อยู่แล้วเหมือนเขาเดินทางไปต่างประเทศแล้วเราจะอยากให้เขาอยู่ต่อไปก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่เราคิดถึงความดีของเขาได้ตอนนี้เรายังคิดถึงความดีของพระเจ้าอยู่ก็ไม่เสียหายตรงไหนแต่เราอยากคิดเราไปเศร้าโศกเสียใจน้องหม่มน้องให้ให้เขากลับคืนมาถ้าเราเศร้าโศกเสียใจแสดงว่าเรายังอยากจะให้กลับคืนมา เราต้องยอมรับ ว, ว่ามันเป็นเนหมือนความฝันแล้วฝันแล้วพอเตินขึ้นมาความดีต่างๆที่เราได้จากความฝันนั้นมันหมดไปแล้วถ้าจะกลับมาใหม่ก็ต้องฝันใหม่ก็เดี๋ยวหาคนใหม่หเจอคนใหม่เลี๋ยวเขาเจอเจอคนความดีของคนใหม่แตอย่าไปดีเลยเพรดีงไงเดี๋ยวเวาเขาจากจาออกไปเราก็จะเสียใจพยายามรับ ว, ว่ามันไม่เป็ น, หนเหมือนดูภาย พ, พยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนะั้นมันจบไปแล้ว เราต้องอยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดถึงอดีตถ้าคิดถึงอดีตก็ต้องอย่าเกิดอารมณ์เศร้าเศร้าสร้อยง่ายๆคิดถึงความดีได้คิดถึงความดีของพ่อของแม่ของเพื่อนของใครก็ได้คิดแล้วก็แต่อย่าไปเศร้าโศกเสียใจถ้าเศร้าศกเสียใจว่าก็คือเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นความอยากขึ้นมาเออเอะ กลองพยาพิจารณาดูส่วนไหนของร่างกายที่ัไม่สวยงามพิจิตตตอนหนังมันเหี่ยวมั่งพิจตอนที่เต่งขึ้นมายังไม่แปรงฟันยังไม่ล้างหน้าเอกลิ่นที่ฟันเหบนนี้เวลาเหงื่อออกร่างกายไม่ได้อาบน้าแบบท่ายังขนาดเป็นนะเวลาตายกลิ่นมันจะขนาดไหนเออถ้าคิดถึงสิ่งที่มันไม่น่าปรารถนาดูแล้วมันก็จะถอนความหลงได้ถอนความรักไข่ได้ ภาวนาทุทโทแล้วพุโทโธมันหายไปแล้วโยมก็ดูใจไปเรื่อยๆตอนหลังนี่ก็ดูเจริญสติตอนหลังนี่เขามีก็ไปเข้าอพิธามแล้วก็โยมก็เลยคิดว่าที่เขาสอนมานี่เขาให้ใคลายความให้ละวางตัวตนซึ่งโยมกําลังคิดว่าโยมอยากจะละวางตละความเป็นตัวตนโยมก็ใช้สติ แล้ว ก, ก็ให้ดูรูปนามทีนี้โยมก็ใช้สติแล้วก็ดูรูปนามโดยมโดยไม่ได้ภาวนาพุโทโธนี่ไม่ทราบว่าคือก็ไม่มีสมาธิทำไงก็วางไม่ได้คะ่ะใจมันวางไม่ได้เพราะตามปกติโยมก็ดูสมาธิอยู่เพิ่งไปเพิ่งไปก็าวางได้เปล่าก็ก็ยางหา